เราจะมีนิสัยเห็นแก่ตัวหรือว่ามีนิสัยเอื้อเฟื้อเพือแพ่มันอยู่ที่ตัวเราเองนะบางคนก็ไปโทษพ่อแม่บางคนไปโทษสิ่งว่าล้อมว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งแวดล้อมเพราะพ่ อ, พอแม่อันนั้นก็เป็นมีส่วนนะแต่ไม่ใช่ส่วนสําคัญนะส่วนสำคัญก็คือตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่การนึกคิดของเรา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 อันนี้เราว่าให้อาหารให้อาหารหมาตัวที่2ไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปสู้อะไรกับหมาตัวแรกเราเพียงแต่เพิ่มกำลังให้กับหมาตัวที่2มันก็ไปจัดการเองที่จริงในใจเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็จะเปรียบไปเนี่ยมันก็มีอยู่2ตัวนะไม่ใช่หมาป่านะ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 สติของเราเนี่ยมันดีพอนะมันจะส่งสัญญาณบอกว่าเออตอนนี้นี่เรากําลังโดนตัวหลงมันเล่นงานแล้วเพราะตัวหลงเนี่ยมันจมีลักษณะ น, นะที่ทําให้ใจไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามฟูก็ตามแฟบก็ตามใการจริญสติ์มันจะทำให้เรานะรู้ทันตัวหลง สตินี่แหละมันก็จะเป็นอาหารเลี้ยงตัวรู้นะให้เจริญงอกงามเพราะว่าพอมันมีความหลงหรือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะทีแรกจิตมันก็ลอยไปตามอำนาจของความคิดและความหลงนั้นนะแต่พอมีสติปุ๊บรู้ตัวมันรู้ทันนะมันเห็น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 บางทีก็คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะปีหน้านะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่คิดไปแล้วว่าโอมันมันคงใหญ่แน่นะนะก็เลยเกิดความวิตกกังวลไอ้ทุกเลยนะเนี่ยทุกเพราะอะไรทุกเพราะหลงหลงก็ไปในความคิดอันนี้หลงก็ไปในความคิดเกี่ยวกับอนาคตแต่ส่วนใหญ่นะก็คิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วความสูญเสียในอดีตความผิดพลาด